Book 2ูสี่เจการเตรียมตัวเดินทางปัสรวดชูมาสเกโล n น่คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วตุ๊ตสคราลัก อย่าลืมอะไรนะตัวเหนียคุณตัวดับเบิลคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่เต่าเร่คิดได้โดยล a ะกันมนอย่าลืมหนังสือเดินทางนะเน m มิร์ชเกลูนิ s พาสุอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะนปตบิล อย่าลืมเช็คเดินทางนะเนปาเมร์สเ o n ลนิสเชคเอาครีมซันแทนไปด้วยนะ p ั s, ang, <S i m มแ r e m มาโนซาอุลิสเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ p ั s i m ม a k i n โนสโนซาอุลิสเอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ p ั s i m มสครีบเบลลาโนซาอุลส คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมอปม เ, เมลคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมอนปซลูวดวคุณจะเอาร่มไปด้วยไหมอโนปิมติเลเซรกิอย่าลืมกางเกงเสือ้อและถุงเท้านะ Ų, ų, ja, ai, kat, n e p a m i ช š คลนูมาร์ชกิญูพุสโกนูอย่าลืมเน็ทไทยเข็มขัดและเสื้อนอกนะ n นปาเมชก k ก a าเรชูเดรจูสวารกูอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะเนปาเมชเป a ร์รามูนักทิญูมา i ์ชกิญูอิรบาล คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูทเ a อร์เรียคือบ a าทุสันดาลูโอเคุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันไกลตัดเล็บเทอร์เรียคือน u ซิญยูมอยโลจิ u อ a ลูจูกัคุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟัน Tau reikia šūkų, dantų šepetėlių ir dantų pastos.